สิกขาบทวิพัง131าคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้วิหารที่ชื่อว่าของสงได้แก่วิหารที่มีผู้ถวายบริจาคแก่สงที่ชื่อว่ากุฏิชั้นลอยได้แก่ กิชั้นลอยสูงจนศีรษะบุตรกลางคนไม่กระทบเตียงที่ชื่อว่ามีเท้าเสียบคือสอดเท้าเสียบติดไว้ในตัวเตียงตังที่ชื่อว่ามีเท้าเสียบคือสอดเท้าเสียบติดไว้ในตัวตังคาว่านั่งคือภิกษุนั่งบนเตียงหรือบนตังนั้นต้องอบัตตปาจิตตีคําว่านอนคือภิกษุนอนบนเตียงหรือบนตังนั้นต้องอบัตตปาจิตตี